เศคิยวัตโภชนะปฏิสังยุต์หมวดที่สองมี30สิสิกขาบทแต่ไม่ได้จัดเป็นคู่อย่างสารูปข้อหนึ่งว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อข้อนี้สอนให้แสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้ไม่ดูมินและให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของที่เขาให้ไม่ทำดังรับเอามาเล่น หรือเอามาทิ้งเสียข้อสองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักจ้องในบาตรรับบินทบาตข้อนี้ห้าไม่ให้แลดูหน้าทายกหรือแลเมือไปทางอื่นข้อสามว่าพึงทำศึกษาว่า เราจักรับบินธบาตมีสูปะเสมอกันศักว่าสูปะนี้ในที่อื่นแปลว่าแกงแต่พระคันธารรจนาจารย์จะเห็นว่าเป็นของเหลวรับมาไม่ได้กระมังจึงแก้ไว้ในคำพีวิพังว่าสูปะนั้นทำด้วยถั่วเขียวบ้างด้วยถั่วขาวบ้างจับได้ด้วยมือดูเป็นที่กับข้าว แต่กับข้าวในที่อื่นเรียกว่าพยัญชนะพราะท่านแก้วไว้อย่างนี้ความถือของภิกษุทั้งหลายจึงเป็นไปเฉพาะแกงที่เข้าทัวเป็นการที่แคบเกินไปท่านแก้วไว้ดังนั้นเจ้ารอยจะเพ่งของที่ใช้กันอยู่ในครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่ารำเนียมบินทบาทในครั้งนั้นคงไม่เหมือนทุกวันนี้ ทายกคงไม่ได้คอยถวายภิกษุคงไปยืนตามบ้านตามร้านเขาคงเอาของที่เขามีอยู่โดยปกติหรือที่สำหรับขายใส่บาตรจึงได้มีห้ามไม่ให้เลือกรับสู่ปามากเกินพอดีในบัดนี้ของใส่บาตรเขาเตรียมไว้ตังหากภิกษุไม่อาจเลือกรับได้แต่มีกิริยาที่ควรจะประพฤติอนุโลมข้อนี้ได้อยู่ คือรับไปตามลำดับที่ถึงเข้าอย่าผ่านทายกผู้ใส่แต่ข้าวเปล่าเสียเพื่อจะรีบไปรับแต่รายที่มีกับข้าวด้วยข้อสีว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะรับบินทบาทเสมอขอบขอบนั้นหมายเอาขอบล่างห้ามไม่ให้รับจนล้นขึ้นมา อันเป็นกิริยาสอความโลภแต่ของหอใบตองหรืออย่างอื่นที่ปลายหอพ้นจากปากบาดขึ้นมาไม่นับว่ารับล้นบาดกล่าวตามธรรมเนียมในบนัตรนี้รับมาที่สอความโลภใช้ไม่ได้รับมาที่สออเมตตาไม่เป็นการเสียเช่นภิกษุบวชใหม่เข้าไปรับบาทในสกุลรับแต่เพียงบาทเดียว คนใส่ได้ไม่ทั่วกันเขารับเอาบาดไปถ่ายเสียเธอรับต่อไปกว่าจะทั่วดังนี้ไม่เสียกิริยาไม่มีใครติเตียนว่าโลกข้อหาว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากชั้นบินทบาศโดยเอื้อเฟื้อแม้บินทบาศนั้นเป็นของเลว ก็ไม่แสดงอาการวิการคือผิดแปลกไปจากปกติภาพฉันโดยปกติอย่างพระศาสดาทรงรับแป้งจีของนางปุณนทาศีของเขาอื่นแล้วสเสวยโดยไม่ได้ทรงรังเกียจเช่นนี้จัดว่าฉันบินทบาดโดยเอื้อเฟื้ออันหนึง่งเมื่อฉันตั้งหน้าฉันเม่ฉันพลางทำอื่นพลาง แม้อย่างนี้ก็จัดว่าฉันบินทบาทโดยเอือ้อเฟื้อข้อหกว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะจ้องดูอยู่ในบาทฉันบินทบาทข้อนี้ห้ามการดูอื่นพลางฉันพลางและดูเกี่ยวด้วยการฉันเช่นแลดูได้คิดว่า สิ่งใดยังไม่พอจะได้ให้แก่ภิกษุผู้นั่งฉันอยู่ใกล้ไม่ห้ามข้อเจว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากฉันบินทบาทไม่แหวงข้อห้ามนี้ไม่ให้หยิบในที่เดียวจนข้าวแหวงลงไปแนให้กว่าตะล่อมเข้าเป็นคำ ข้อ8ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากฉั้นบินทบาทมีสูปะเสมอกันคำว่าเสมอกันนั้นพระอัฏถกะถาจารย์แก้ว่าพอดีหมายเอาสูปะเท่าหนึ่งเสี่ยวที่สี่แห่งข้าวสุขข้อนี้ห้ามการฉันตะกรามอย่างเด็กแม้ฉันแกงกับมากกว่าหนึ่งเสี่ยวที่สี่แต่ไม่เกินข้าวสุข ก็ใช้ได้ไม่ผิดบาหลีไม่เป็นตะกรามแต่ความเข้าใจว่าห้ามเฉพาะแกงถั่วเท่านั้นแคบเกินไปเขาเลี้ยงแต่ของอื่นไม่มีเข้าสุขฉันก็ได้ข้อกล่าวว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่ขยุมลงแต่ยอด ฉันบินทบาตเป็นธรรมเนียมของภิกษุเมื่อฉันเกลียเข้าสุกในบาตให้หน่าเสมอกันก่อนส่วนกับข้าวหรือขนมที่เข้าจัดบนจานเรียงเป็นลำดับขึ้นไปทำอย่างนั้นใช้ไม่ได้พึงหยิบลงมาแต่ยอดได้ข้อสิบว่า พึงทำศึกษาว่าเรจาจกไม่กลบแกงก็ดีกับข้าวก็ดีด้วยข้าวสุกอาศัยความอยากได้มากข้อนี้หมายความเอาอาการฉันในกิจนิมนต์ที่ทายกอังคาดคอยเติมของที่ฉันได้ถวายข้อ11บอว่าพึงทำศึกษาว่า เราไม่อาพาธจะไม่ขอสู่ปากก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันคำว่าขอในที่นี้หมายเอาขอต่อข้ารือหัดผู้มีชยญาตมีชัยคนปวารณาอาพาธขาดอาหารนั้นถูกปากไม่พาสุขอได้ไม่อาพาธขอเพื่อภิกษุอาพาธได้อยู่ ข้อสิบสองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่เพ่งโนธนาและดูบาดของผู้อื่นและดูด้วยตั้งใจจะค่อนขอดว่าฉันมู ม, มามห้ามในข้อนี้และดูด้วยคิดจะให้ของฉันอันยังไม่มีไม่ห้ามข้อสิบสามว่า พึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นักคำข้าวที่คับปากนำเข้าไม่ได้หมดจัดว่าใหญ่นักควรทำแต่เพียงเข้าปากได้พอดีของอื่นท่านไม่ห้ามแต่ถ้าเสียกิริยาเห็นใช้ไม่ได้เหมือนกันข้อส4ว่า พึงทำศึกษาว่าเรจาจะทำคำข้าวให้กลมกล่อมในข้อนี้คนเข้าใจว่าในครั้งรจนาเสขคียาวัตรเขาใช้กินข้าวชนิดไรกันพระอุบาลีกุณูปมาจาร์ปานเทียบที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ผู้ครองวัดพระเชตุพนได้เคยพูดปล่ารบถึงเรื่องนี้แก่ข้าพเจ้า ท่านเห็นสมด้วยข้าวเหนียวข้าพเจ้าก็พลอยอนุโมทนาแม้ไม่ใช่ข้าวเหนียวก็คงเป็นธั ญ, ญาชาติมีคติเดียวกันหรือข้าวเจ้าแต่หุงเปียกจึงปั้นทำเป็นคากลมได้ซ้าในคำพีวิพังห้าไม่ให้ทำคำข้าวยาวไว้ด้วยแปลว่าเป็นของปั้นได้ กิริยาบริโภคที่จัดว่าเรียบร้อยก็คงปั้นเป็นคำกลมๆจึงได้สอนไว้ในข้อนี้เข้าใจข้าวที่กินแล้วอาจเข้าใจข้อต่อไปง่ายข้อสิบห้าว่าพึงทำศึกษาว่าเมื่อคำข้าวยังไม่นำมาถึงเราจักไม่อ้าช่องปาก ข้อนี้บ่งให้รู้ธรรมเนียมฉันอาหารว่าอุปปากเขียวอาปากเฉพาะเวลานำข้าวเข้าไปข้อ16ว่าพึงทำศึกษาว่าเราฉันอยู่จะไม่สอดมือทั้งนั้นเข้าในปากคำว่ามือนั้นในดีกาแก้ว่านิ้วมือชอบอยู่ ข้อนี้ห้ามสกบรกปล่อยให้นิ้วเข้าในปากแม้ไม่ทั้งหมดก็ไม่ดีข้อ17ว่าพึงทำศึกษาว่าปากยังมีคำเข้าเราจะไม่พูดเข้ามีอยู่ในปากพูดเสียงยังไม่ปกติเพียงใดอย่าเพิกพูดเพียงนั้น กว่าจะได้กลืนแล้วหรือคายแล้วจึงพูดข้อ18ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดอกคำข้าวข้อนี้ห้ามการดอกคำข้าวขึ้นจากมืออ้าปากงับอันเป็นกิริยาสน ข้อ19ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจกไม่ฉันกัดคำข้าวกัดของอื่นเช่นขนมแซงหรือผลไม้ท่านอนุญาตแต่ข้อห้ามการมู ม, มามกัดของอื่นก็น่าเกลียดเหมือนกันควรเว้นยกไว้แต่ในประเทศที่เขาไม่เห็นเป็นเสียกิริยาก็ตามทีบางทีในครั้งรจนาคำภีวิพัง ในประเทศนั้นเขาไม่ถือว่าเสียกิริยากระมังท่านจึงอนุญาตหมายเหตุผู้อ่านคำว่ากัดคำข้าวในที่นี้น่าจะหมายถึงปั้นข้าวเป็นก้อนและกัดเพียงบางส่วนเข้าปากซึ่งจะต่างจากการปั้นเป็นก้อนหรือทำเป็นคำและนำเข้าปากเคี้ยวทั้งหมดนะครับ ข้อที่สบว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทำให้ตุยข้อนี้ห้ามการฉันทีละมากๆจนตุยแก้มเหมือนคนเป่าคลุยของอื่นท่านอนุ ญ, ญาตแต่ต้องรู้จักผ่อนควรปล่อยแต่ที่จำเป็นข้อยี่สเอ็ดว่า พึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันสลัดมือถ้าเข้าสุกติดกลังมือให้ล้างด้วยน้ำข้อ22สองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันธรรมเล็เข้าวตกข้อนี้ห้าไม่ให้ปล่อยมเมล็ดข้าวอันเหลือจะเข้าปากตกล่วงลงมาในบาทก็ดี ที่พื้นก็ดีข้อ23สสามว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันแลบลิ้นข้อ24สีว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทำเสียงดังจับจับ ขอยีหว่าพึงทําศึกษาว่ า, ราเราจักไม่ฉันทําเสียงดังสุดเสียงดังจับจับนั้นเกิดในขณะเกี้ยวของแค่นเสียงดังสุดนั้นเกิดในขณะสดของเหลวพึงระวังคอยีสิหว่าพึงทําศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมือคําว่าเลียมือในที่นี้ไม่หมายเอาเพียงลาบลิ้นเลียอามิตรอันติดมือแม้เอานิ้วเล็มอามิตรอันติดมือนั้นเข้าปากก็จัดว่าเลียมือเหมือนกันข้อ27ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ขอดบาด ข้าสุกเหลือน้อยไม่พอเป็นคำา่าไม่ให้กว่าตะล่อมรวมเป็นคำฉันทำเช่นนั้นเรียกว่าฉันขอดบาทข้อยี่สิบปว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียริมฝีปากข้อยสเกว่าพึงทำศึกษาว่า เราจากไม่รับโอน้ำด้วยมือเปื้อนอามิดโอน้ำคือภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับใส่น้ำคล้ายขันกลึงด้วยไม้บ้างสารและถมรักบ้างทมเนียมราชันในครั้งก่อนฉันอิ่มแล้วจึงรับน้ำหอามไม่ให้รับด้วยมือข้างที่เปื้อนในบัดนี้รับน้ำพร้อมกับอาหาร พึงเข้าใจว่าอ้าไม่เอามือเปื้อนจับโอน้ํานั้นถ้ามือเปื้อนทั้งสองข้างจะต้องล้างเสียก่อนแท้ข้อครบ30สิบว่าพึงทำศึกษาว่าเราจัดไม่เทน้ําล้างบาดมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านข้อนี้หมายเอาการฉันในบ้านเสร็จแล้วล้างบาด ท, ที่นั่น ในครั้งนั้นน้ำไม่มีกาข้าวท่านคงเห็นไม่เป็นอะไรจึงห้ามแต่ที่มีเมล็ดข้าวในบัตรนี้แม้น้ำไม่มีกากข้าวก็ควรหาเทไม่เทในกระโทนที่เขาจัดไว้ได้อยู่เขาคงเอาไปเท อ, อีกต่อหนึ่งถ้าเทเองในที่ไม่ใช่สำหรับเทของก็ไม่ควรเหมือนกันธรรมเนียมฉันอาหารนี้ คนถือเป็นหลักได้แต่ใจความคือต้องการความเรียบร้อยอย่ามัวหลงในพละความคืออาการที่กล่าวไว้เพราะอาการที่กล่าวไว้นั้นกล่าวตามนิยมในครั้งนั้นครั้นทำเนียมเปลี่ยนแปลงมาขืนทำไปตามนั้นกลายเป็นสกปรกหรือมู ม, มามไปก็มีชี้ตัวอย่างให้เห็นได้ในชั้นผู้ดี เขาใช้บริโภคอาหารด้วยช้อนกับซ่อมหรือช้อนกับตะเกียบฝ่ายพระมัวลงไปตามอาการที่กล่าวในเสคยะยังใช้เปิบ ด, ด้วยมือดูเป็นเปรอะเปื้อนสกปรกเป็นที่รังเกยียจของผู้อังคาดอันเป็นชั้นผู้ดีควรสำเนีกวิธีฉันให้ถูกตามนิยมในสมัยภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือในธรรมเนียมฉันฉันมุ ม, มามสกปรกหน้าชัง ถูกปรับอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ตั้งใจจะรักษาธรรมเนียมแต่ทำพลาดด้วยไม่เด็กแรงด้วยเผลอด้วยไม่รู้และภิกษุผู้อาพาธได้รับยกเว้นตามเคย